วันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายวันนี้ธรรมาอยากจะให้โ ย, ยมได้ฟังเรื่องของนางวิสาขาบ้างนะว่านางวิสาขาเนี่ยเขาได้สร้างวิหารบุพารามถวายพระภิกษุสงฆ์โยมเรียกว่าถวายสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่นะว่านางวิสาขานั้นได้สร้าง วิหารในลักษณะอย่างไรแต่ว่าเรื่องของนางวิสาขาที่อยู่ในพระไตรปิฎกเรื่มนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นที่นางได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอายุเจ็ดขวบโยมนางโตเป็นสาวก็ได้มาแต่งงานกับลูกชายของเศรษฐีชื่อมีขาระน่นะเรื่องก็ถือว่ายาวมากนะแต่ตมาคงจะไม่อ่านให้ญาโยมฟังทั้งหมดจะตัด ตอนเอาเฉพาะในช่วงที่นางได้สร้างวิหารบุพารามถวายสงเนี่ยเพราะว่าเจตนานอยากจะให้โยมได้เห็นตัวอย่างของอุบาสิกาเนะียได้ว่าเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้โยมที่นางได้สร้างวิหารถวายสงเนี่ยสร้างอย่างไรนะอาตมาจะขอรัดเอาตรงนี้เลยโอกาสหน้าโอกาสต่อไปเนี่ยญาติโยมคอยอ่าค่อยๆฟังอ่าค่อ ย, ฟ, อยฟังประวัติ ของนางอย่างละเอียดในตอนที่ว่าด้วยประวัติพุทธสาวกพุทธสาวิกาซึ่งโอกาสหน้าอาจตมาจะนำมาบรรยายในหัวข้อที่ว่าประวัติของพุทธสาวกของพุทธสาวิกานะจึงจะนำมาบรรยายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งโยมนะแต่ว่าช่วงนี้วันนี้โยมฟังตอนที่นางในสร้างวิหารถวายสง์ก่อนโยม อันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกขุทธกานิการคาถาธรรมบทนะอยู่ในเล่มที่1ภาคที่สองตอนที่สองโยมอยู่ที่หน้า103อามนะแตมาตัดตอนเอาตรงนี้เลยนะหน้า103ว่าด้วยนางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหาร เครื่องประดับของนางวิสาขาเนี่ยชื่อว่ามหารดานประสาทโยมมหรดานประสาทนี้ท่านบอกว่ามีราคาถึง9โกดนะโยมนะราคา9โกดโยมโยมฟังเลยนะก็โดยสมัยนั้นแลนางวิสาขามิคารมานดา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 ในงานมหาศพที่เป็นมงคลชาวกรุงสาวัตถีย่อมอัญเชิญนางวิสาขาให้บริโภคก่อนอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โยมเป็นคนมีชื่อเสียงและก็มีคุณธรรมนะคล้ายๆให้นางไปไปกินก่อนนะนะจะได้เป็นมงคลโยมถือว่าเป็นเลิกดีนะถ้านางวิสาขามาร่วมงานแล้วก็ได้กินข้าวก่อนเนี่ยกินอาหารก่อนเนี่ยถือว่าเลิกดีโยมต่อมาในวันมหรสพวันหนึ่ง เมื่อหมาชนแต่งตัวไปวิหารเพื่อฟังธรรมแม่นางวิสาขาบริโภคในที่ที่เขาเชิญแล้วก็แต่งเครื่องมหาระดานประสาทไปวิหารพร้อมกับด้วยหมาชนได้เปรื่องเครื่องอาพรให้แก่หญิงคนใช้ไว้ก็โดยสมัยนั้นแล ในกรุงสาวัตถีมีการหมอรศพมนุษย์ทั้งหลายแต่งตัวแล้วไปวัดแม่นางวิสาขามิคารมานดาก็แต่งตัวไปวิหารครั้งนั้นแลนางวิสาขามิคารมานดาเปลื่องเครื่องประดับผูกให้เป็นห่อที่ผ้าห่มแล้วได้ส่งให้หญิงคนใช้ว่านี่แม่เจ้าจงรับหอนี่ไว้ได้ยินว่านางวิสาขานั้น เมื่อกำลังเดินไปวิหารคิดว่าการที่เราสวมเครื่องประดับมีค่ามากเห็นปานนี้ไว้บนศีรษะแล้วประดับเครื่องอลาัางการจนถึงหลังเท้าเข้าไปสู่วิหารไม่ควรอวันนี้นางก็คิดดีนะโยมนะคือว่าจะแต่งตัวสวยงามมากเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเรียกว่าดูอลังการแฮ เข้าไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดูไม่เหมาะสมนะอั น, นนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีโยมนางจึงเปลืองเครื่องประดับนั้นออกห่อไวแล้วได้ส่งให้ในมือหญิงคนใช้ผู้ทรงกำลังเท่าช้างห้าเชือกผู้เกิดด้วยบุญของตนเหมือนกันอตรงนี้แสดงว่าอ่า คือคนปกตินางวิสาขานี้จะมีพละงกาลังกายโดยปกตินายโยมนะเท่ากับช้าง5้าเชือกยงเป็นบุญของนางที่นางทำบุญมาเยอะในชาตินี้จึงมีพลังกาลังมากมายเท่ากับช้าง5้าเชือกทีนี้หญิงรับใช้คนนี้ก็มีการรําลังเท่ากับช้าง5้าเชือกเหมือนกันนะโยมหญิงคนใช้นั้นคนเดียวย่อมอาจเพื่อรับเครื่องประดับ มหารดาประสาทนั้นได้คนอื่นคงยกไม่ขึ้นเพราะว่าหนักมากนะเพราะเหตุนั้นนางวิสาขาจึงกล่าวกับหญิงคนใช้นั้นว่าแม่จงรับเครื่องประดับนี้ไว้ฉันจักสวมมันในเวลากลับจากสำนักของพระศาสดาก็นางวิสาขาครั้นให้เครื่องประดับมหารดาประสาทนั้นแล้วจึงสวมเครื่องประดับชื่อคณะมัทธกะกั ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาสดับธรรมแล้วในที่สุดการสับธรรมนางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าลูกจากอาสนะหลีกไปฝ่ายหญิงคนใช้นั้นของนางลืมเครื่องประดับนั้นแล้วดึงไว้ที่วัดก็เมื่อบริษัทฟังทำหลีกไปแล้วถ้าใครลืมของอะไรไว้พระ อ, อน์เท ร, ระย่อเกรีบงามของนั้น เพราะเหตุดังนี้ในวันนั้นท่านเองเครื่องประดับมหาดานประสาทแล้วจึงทูลแด่พระศาสดาว่านางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ไปแล้วพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจงเก็บไว้ในที่สุดข้างหนึ่งเถิดานนท์พระเถระยกเครื่องประดับนั้นเก็บคล้องไว้ที่ข้างบันได นางวิสาขาตรวจบริเวณวัดฝ่ายนางวิสาขาเที่ยวเดินไปภายในวิหารกับนางสุปิยาด้วยตั้งใจว่าจากรู้สิ่งที่ควรทำแก่ภิกษุอคันดุกะภิกษุเตรียมตัวจะไปและภิกษุไข่เป็นต้นเป็นเพื่อนสนิทกันโยมระหว่างนางสุปิยาอบาสิกาที่ได้ถวายเนื้อขาตัวเอง ที่ยายมได้ฟังในวันก่อนนะนะทีนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกับนางวิสาขาวันนี้ก็เดินเที่ยวชมตามวิหารโยมถามไถ่ภิกษุทั้งหลายโยมนี่ท่านบอกว่าก็โดยปกติแลภิกษุหนุ่มและสมะัมมเณผู้ต้องการด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำมันเป็นต้นเห็นอุบาสิกาเหล่านั้นในภายในวิหารแล้ว ย่อมถือภาชนะมีถาดเป็นต้นเดินเข้าไปหาถึงในวันนั้นก็ทำแล้วอย่างนั้นเหมือนกันครั้งนั้นนางสุปิยาเห็นภิกษุไข่รูปหนึ่งจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรเมื่อภิกษุไข้รูปนั้นตอบว่าต้องการรถแห่งเนื้อคือน้ำเนื้อต้มนะจึงตอบว่าได้พระผู้เป็นเจ้าดิฉันจักส่งไป ในวันที่สองเมื่อไม่ได้เนื้อที่เป็นกัปปิยะจึงทํากิจที่ควรทําด้วยเนื้อขาอ่อนของตนด้วยความเลื่อมใสในพระศ า, าสดาก็กลับเป็นผู้มีส ร, รีระตั้งอยู่ตามปกตินั่นแหลอ๋ออันนี้โยมฟังไปแล้วนะเรื่องนางสุปิยาอุบาชิกาที่ถวายเนื้อขาโยมพอเห็นหน้าเห็นประพักของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเนื้อของเนื้อของนางเนี่ยเรียกว่า งอกขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมเลยนะไม่มีแผลเป็นแม้แต่นิดเดียวนะฝ่ายนางวิสาขาตรวจดูภิกษุหนุ่มและสมณเณรผู้เป็นไข้แล้วก็ออกโดยประตูอื่นยืนอยู่ที่อุปจาระวิหารแล้วพูดว่าแม่ก็คือออกไปนอกเขตวัดแล้วนะก็าถามว่าถามคนใช้นะว่าแม่จงเอาเครื่องประดับมาฉันจะแต่ง ในขณะนั้นหญิงคนใช้นั้นรู้ว่าตนลืมแล้วออกมาจึงตอบว่าดิฉันลืมแม่เจ้านางวิสาขากล่าวว่าถ้ากระนั้นจงไปเอามาแต่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าอนนทเทระของเรายกเก็บเอาไว้ในที่อื่นเจ้าอย่าเอามาฉันบริจาคเครื่องประดับนั้นถาวายพระผู้เป็นเจ้านั้นแลถ้าพระจับต้องแล้วไม่เอาคืนโยม แต่ถ้ายังไม่มีใครเห็นนะนางก็เอาคืนอยู่ในว่านางวิสาขานั้นย่อมรู้ว่าพระเถระย่อมเก็บสิ่งของที่พวกมนุษย์ลืมไว้เพราะฉะนั้นนางจึงพูดอย่างนั้นแสดงว่านางต้องรู้แน่แหละว่าท่านพระอ น, นุเนเก็บไว้แล้วถ้าพระอ น, นุ์เก็บไว้ก็ไม่ต้องเอามานะถวายท่านเลยว่างั้นเถอะโยมโยมราคาเก้าโกดนะโยมฮะเก้าโกด กี่ล้านโยมโกรหนึงก็สิบล้านนะนะเรียกว่าเก้าโกรโกรหนึงก็สิบล้านก็เก้าสิบล้านโยมอโยมนางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงไฝ่ายพระเทระพอเห็นนางคนใช้นั้นก็ถามว่าเจ้ามาเพื่อประสงค์อะไร เมื่อหญิงคนใช้นั้นตอบว่าดิฉันลืมเครื่องประดับของแม่เจ้าของดิฉันจึงได้มาจึงกล่าวว่าฉันเก็บมันไว้ที่ข้างบันไดนั้นเจ้าจงเอาไปหญิงคนใช้นั้นตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าห่อพันธะที่ท่านเอามือถูกแล้วแม่เจ้าของดิฉันสั่งมิให้นำเอาไปดังนี้แล้วก็มีมือเปล่ากลับไป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 จากน้อมนาสิ่งที่เป็นกัปปิยะไปคล้ายกับว่ายกให้พระแล้วแต่ทีนี้พระจะใช้ใส่ก็คงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องประดับที่ประกอบด้วยเพชรนินจินดามากมายโยงนางก็จะเอาไปขายนะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาแลกเปลี่ยนให้กับของที่หรือไปแลกเปลี่ยนเอาของที่เป็นกัปปิยะสมควรแก่พระมาถวายพระอีกรอบหนึ่ง น, นะ เจ้าจงไปเอาเครื่องประดับนั้นมาหญิงคนใช้นั้นไปนำเอามาแล้วนางวิสาขาไม่แต่งเครื่องประดับนั้นสั่งให้เรียกพวกช่างทองมาแล้วให้ตีราคาเมื่อพวกช่างทองเหล่านั้นตอบว่ามีราคาถึง6กโกรตตอนแรกเนะี่ยทํา9โกรนะโยมนะแต่นางคงจะใช้มานานโยมราคามันตกเหลือ6โกรนะฮะ แต่สำหรับค่าบำเหน็จต้องถึงแสนจึงวางเครื่องประดับไว้บนยานแล้วกล่าวว่าถ้าการนั้นพวกท่านจงขายเครื่องประดับนั้นไม่มีใครอาจให้ซั์จำนวนเท่านั้นรับไว้ได้ไม่มีใครกล้าซื้อโยมราคาแพงมากนะเพราะหญิงผู้สมควรประดับเครื่องประดับนั้นหาได้ยาก ใครจะกล้าไปประดับตกแต่งโยมหนักมากนะถ้ากําลังไม่ไม่ไม่เท่าช้างหาเชือกนะรับน้ําหนักของเครื่องประดับนี้ไม่ไหวไม่ได้แน่นอนโยมเพราะว่าเป็นเครื่องประดับที่หนักมากนะท่านบอกว่าแท้จริงหญิงสามคนเท่านั้นในปตตพีมนทนคือในในโลกปัจจุบันเนี่ยได้เครื่องประดับมหาดานประสาทคือ นางวิสาขามหาอุบายิกานึงอันนี้เป็นคนหนึ่งหลักที่มีเครื่องประดับอย่างนี้นะนางมาริกาภรรยาของพันธุละเสนาบดีหนึ่งลูกสาวของเศรษฐีกรุงพาราณสีหนึ่งเพราะฉะนั้นนางวิสาขาจึงให้ค่าเครื่องประดับนั้นเสียเองทีเดียวเรีวยกว่าขายเองซื้อเองโยมแล้วให้ขนทรับเก้าโกฏดเก้าโกฏนี้เป็นราคา เป็นราคาเครื่องประดับมหารดาปราสาสโยมเก้าโกดหนึ่งแสนหนึ่งแนเป็นค่าบำเหน็ตนะขึ้นใส่เกวียนนําไปสู่วิหารถวายบังคมถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระอานันติระผู้เป็นเจ้าของหม่อมฉันเอามือถูกต้องเครื่องประดับของหม่อมฉันแล้วจําเดิมแต่การที่ ท่านถูกต้องแล้วมอมชันไม่อาจประดับได้แต่มอมชันให้ขายเครื่องประดับนั้นด้วยคิดว่าจักจำน่ายน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นกัปปิยะมาไม่เห็นผู้อื่นจะสามารถรับไว้ได้จึงให้รับค่าเครื่องประดับนั้นเสียเองมาแล้วก็ทูลพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงไงนะโยม หม่อมฉันจะน้อมเข้าไปในปัจจัยไหนในปัจจสี่พระเจ้าข่าอ๋อเรียกว่าเงินก้าโกด1หนึ่งแสนเนี่ยถวายพระแล้วนะพระองค์จะให้หม่อมฉันนำอะไรมาละ่ะด้วยเงินจำนวนเท่านี้โยมก้า9โกด1หนึ่งแสนนะพระศาสดาตรัสว่าเธอควรจะทำที่อยู่เพื่อสงฆ์ใกล้ประตูด้านปราจีนทิศเถิดวิสาขาอ๋อแนะนำให้สร้างวัดโยม ทางทิศตะวันออกมานะนางวิสาขาทูลรับว่าสมควรพระเจ้าค่ะมีใจเบิกบานจึงเอาทรัพย์เก้าโกรธซื้อเฉพาะที่ดินนางเริ่มสร้างวิหารด้วยทรัพย์เก้าโกดนอกนี้อืซื้อที่ดินเก้าโกดโยมแต่ว่านะถาถบินิกะเศรษฐีซื้อที่ดินสิปโกรธนะโยมนะแสดง ว, ว่าที่นั้นคง่งใหญ่โตครึ่งต่อครึ่งเลยว่างั้นเถอะโยม ของนางวิสาขาเก้าโกดของอานาถาบินิกาเศรษฐีนั้น18โกดก็คงจะครึ่งต่อครึ่งทีนี้เมื่อซื้อทรัพเมื่อซื้อที่ดินด้วยทรัพย์เก้าโกดแล้วนะันางก็สร้างวิหารเสรนาสนะศาลาหอฉันลงโบสดลงจ ง, ก, งจกรมลงไฟเวจกดีเป็นต้นนิยมด้วยทรัพย์อีก9กโกดอยู่การสร้างวิหารของนางวิสาขา9เดือนแล้วเสร็ ต่อมาวันหนึ่งพระศ า, าสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทอดพระเนตรเถนุปนิสัยสมบัติของเศรษฐีบุตรนามว่าพัทยะผู้จุติจากเทวโลกแล้วเกิดในตระกูลเศรษฐีในพัทยนครทรงทำพัฒกิจในเรือนของนาถบินทิกาเศรษฐีแล้วก็เสรจบ่ายพระพรักษ ก็เสร็จบ่ายพระพักไปยังประตูด้านทิศอุดรแม้ตามปกติพระศาสดาทรงรับภิกษาในเรือนของนางวิสาขาแล้วก็เสร็จออกทางประตูด้านทักษิณคือทิศใต้นะประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรับภิกษาในเรือนของอนัฐบินทิกาเศรษฐีแล้วก็เสร็จออกจากประตูด้านปราจีนประทับ อยู่ในบุพารามตอนนี้ท่านจะพูดถึงว่าในสมัยที่นางวิสาขาสร้างบุพารามเสร็จแล้วนะโยมนะแต่ตอนนี้ท่านคือตอนนี้นางวิสาขายังไม่ได้สร้างโยมตอนนี้ท่านได้นําข้อความเกี่ยวกับกิจวัตรหรือว่าลักษณะการเสด็จไปณที่ใดๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยท่านนํามากล่าวไว้ก่อนนะนะโ ย, ยมก็ฟังไปก่อนกันล้วกันโยม ทีนี้ชนทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินมุ่งตรงประตูด้านทิศอุดอรแล้วย่อมรู้ได้ว่าจักเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริกในวันนั้นแม้นางวิสาขาพอทราบว่าพระศาสดาเสด็จดำเนินบ่ายพระพักไปทางประตูด้านทิศอุดอรคือทิศเหนือนะจึงรีบไป ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าทรงประสงค์จะเสด็จดำเนินไปสู่ที่จาริตรือพระเจ้าข่าพระาศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นวิสาขานางวิสาขาก็ทูลว่าพระเจ้าข่าหม่อมฉันบริจาคทรัพย์จํานวนเท่านี้ให้สร้างวิหารถวายแด่พระองค์โปรดเสด็จกลับเถิดพระเจ้าขา้ากําลังก่อสร้างวัดใหญ่โตโมโลาร์นะ พระพระองค์ก็จะทรงเสด็จจาริกหกีกไปแล้วเนี่ยก็อยากให้พระองค์ทรงเสด็จกลับนะโยมกลับมาประทับอยู่ที่วัดของนางที่กำลังจะสร้างนี่แหละโยมพระศาสดาก็ตรัสว่านี้เป็นการไปยังไม่กลับบิษาขาคือว่าพระองค์จะไปโปรดกลบุตรชื่อพัทยะซึ่งเป็นตระกูลเศรษฐีนะโยมนะคือว่าอย่างไรก็ยังกลับไม่ได้หรอก พระ อ, องค์จะทรงไปโปรดเวณนยศัตร์อยู่เนี่ยยังไม่ใช่เวลากลับนางวิสาขานั้นก็คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเห็นใครๆโย ม, ยมาอาตมาอ่านมาถึงตรงนี้นะเหลือบมองดูเวลาก็หมดลงพอดีโยมนะอย่างไรยะโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอะรวันนี้อาตมาพาพระปริญญาปริญญาโนต้องขอาจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อน ขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร